อาจารย์กล่าวให้เห็นวัตถุเมื่อกี้นะฮะมันมีข้อตรงนี้ว่าถ้าวัตถุอันเดียวกันตรงนี้ตังหาที่ว่าบุคคลเนี่ยที่ด้วยความใช้ ปัญญาที่ต่างๆกันในวัตถุที่เห็นอย่างเดียวกันเนี่ยให้ผลกำลังต่างกันนะะ่นะคะคือมันมีตั้งแต่เรื่องเรื่องของการเปรียบเทียบของความกำลังปราณีตยาบละเอียดนะะด้วยความตัวทั้งทั้งตัววัตถุแล้วก็แม้กระทั่งกุศลเวทนาเหมือนกันนะคะก็คือ มันเทียบกันเป็นขั้นๆไปะนะคะถ้าสมมติพอเราเก่าถึงเวทนา mm. เช่นเวทนาในอกุศลก็อยากว่าเวทนาในอกุศลนี่ยนะคะแตนี้ในเรื่องของวัตถุทานอันนี้เหมือนกันก็คงจะ ต, ต้องเหมือนกับว่าถ้าเราจะกล่าเนี่ยเช่นว่าวัตถุทานอันนี้ของอพราหมณ์ผู้ให้อันนี้เนี่ยนะคะในผ้าอันเดียวกันแต่ถ้าเป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งมีของอยู่เยอะให้เนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่สละคือผ้าเหมือนกัน แต่ในพราหมู้ที่มีน้อยอยู่อันนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของเขาอันนี้ก็ทำให้เจตนาของเขาเนี่ยสามารถมีกำลังมากได้ในการสละของเขาก็จะต่างกับผู้ที่มีมากมายเจ้าค่ะกราบลูกการเจ้าค่ะคือคือตรงนี้ว่าเจตนาตรงนี้ถามว่าเออถ้าระหว่างการทานก็จะมีความปารนนีตต่างกันไปจริงๆภายละทานจนถึงอัจฉติกาทานนะ จนถึงอัจิการทานก็จะเห็นชัดเลยว่าถ้าเราลำดับเรื่องในคําสอนที่พระโพธิสัต์ท่านคิดเนี่ยเราจะเห็นเลยเห็นพระพุทธเจ้าที่ท่านวางหลักเอาไว้เนี่ยจากสละภายนอกภายนอกก็ต่อมาท่านเริ่มสละภายในของท่านเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่พอสละไปสละมาเรากลัวทานของท่านไปเลยกลัวโอ้โมไม่ใจใจไปไม่ได้อะใจไปไม่ได้เลย คิดแล้วมันหวาดวิวในใจเลยว่าท่านเป็นบุคคลที่เสมอบุคคลที่ไม่เสมอคือคือถ้ามองมองในลักษณะนี้แล้วก็จะเห็นเลยบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เป็นอย่างท่านได้จริงๆถ้าทำอย่างท่านเนะแต่ว่าถามว่าใครที่จะ สามารถใช้เจตนาไปกระตุ้นฉันทะอุริยะจิตตาปัญญาให้มีความระดับประนีตระดับสูงได้ระดับนั้นซึ่งถ้าฉันทะแรงสุดๆเนี่ยแปลว่าสละได้ไหมกระทั้งชีวิตแล้วอย่างนี้นะก็มองดูว่าเหมือนท่านให้เลือดเป็นทานเนี่ยท่านคิดอะไรใช่ไหมท่านให้เลือดเป็นทานเนี่ยท่านคิดอะไรแต่ที่ท่านอาจารย์กล่าวให้เห็นวัตถุเมื่อกี้นะฮะมันมีข้อตรงนี้ว่าถ้าวัตถุ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 ถ้าพิจารณาทานท่านจะไปตั้งจิตพิจารณาว่าเมื่อผู้มีผู้มาขอเป็นต้นดังที่เราได้เคยกล่าวกันหลายๆครั้งเป็นผู้ขึ้นเคยเราอย่างไรเราควรอนุข้อโลกอย่างไรพึงเข้าไปตั้งความนอบน้อมในการบริจาคผู้นี้ยกย่องกรรมของเราอันยิ่งใหญ่ตามที่ได้เคยกล่าวตามลำดับซึ่งในรายละเอียดนั้นมีเยอะเมื่อเราให้ก็พอใจเมื่อให้แล้วก็ปลื้มใจเกิดปีติสมนัตได้อย่างไรเป็นต้น ยาจกทั้งหลายของเราพึงเป็นเช่นไรเราจะพึงเป็นผู้มีอัธยาศัยที่กว้างขวางยาจกไม่ขอเราจะรู้ใจของยาจกได้อย่างไรเป็นต้นเหล่านี้นะอันนั้นเป็นหลักพิจารณาเฉั้นการพิจารณาคือการใค่ายควรในการยุวิจัยในทานในการที่ให้ไม่ให้นะการไม่ให้มีโทษการให้มีอิสงก์มีคุณมีประโยชน์แต่การที่จะพ้นจากวัฏฏุกข์อย่างไรเป็นไปในวัฏฏะที่ไม่เจ็บปวดอย่างไรทั้งการพิจารณาโลกธรรมที่เป็นวิสัยแห่งทายธรรมพึ่งเกิดขึ้นแก่โลภะเพราะบุคคลนั้นน่ะ อบรมมาช้านานงานผู้ปฏิญญาณในการที่จะเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธปะปเจกพุทธะหรือว่าสาวกสาพุท ธ, ธเนี่ยต้องค่ายควรนะบอกว่าโลภะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อการที่ไปยึดติดในในไทยธรรมทุกชนิดนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็มาพิจารณาว่าเราอยู่ในวิสัยของสาวกาโพพธาาหหร ร, หรือืออปัจจเสมาสัวพธานนะท่านจะเอาอย่างยนะในสามอย่างนี้ยโพธิสามอย่างเนี้ย ก็มาตั้งพิจารณาว่าทายธรรมทั้งหลายวัตถุทั้งหลายเป็นที่ตั้งของความโลภทั้งนั้นแหละทั้งวัตถุภายในและวัตถุภายนอกทีนี้ก็ใช้สมเนียกบอกว่ า, วาสาัตว์บุรุษท่านบำเพ็ญอภินิหารเนี่ยนะหรือบำเพ็ญบา ร, รมีหรือหรือตั้งจิตปรารถนาเนี่ยเพื่อความตัดสู้ไม่ใช่หรือจะตัดสู้เป็นสาวกพระเจ้าหรือปัจเจพระเจ้ า, จาหรือสา ม, มาสมบูชธธ่า ถ้าพระเจ้าวักสลากายนี้เพื่อเป็นอุปการะแก่สัพสัตและบุญสําเร็จด้วยการบริจากรายนั้นความคล่องไปในวัตถุแม้ภายนอกของท่านนั้นเป็นเช่นกับการอาบน้ำอาบน้ําให้ช้างก็หมายความบอกว่านี่เราติดคล่องในกายมานานแล้วติดท่องในวัตถุภายนอกมานานแล้วก็เหมือนช้างไม่รู้จักอิ่มในการอาบน้ํำวันนึงอยากอาบสาครั้งสี่ครั้งห้าครั้งก็ไม่เพียงพอแม้ฉันใดท่านทั้งหลายก็ติดคล่องในกายทุกวันนี่นะประดับตกแต่ง มาของอาไล์อาวรมายินดีทั้งวัตถุภายนอกก็เหมือนกันใช่ไหมวันวันหนึ่งแล้วก็มายินดีมาเพลิดเพลินมันอยู่อย่างเนี้ยเป็นที่ตั้งของตันหาเป็นที่ตั้งของโลภะเป็นที่ตั้งความยึดติดทั้งๆที่มันมีโทษในการแสวงหาโทษในการรักษาและในการที่จะต้องแปลเปลี่ยนไปมันโทษสามการนะเห็นโทษมันอยู่ว่ามันมีโทษทั้งสการอยู่แต่ความที่ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิประดุดดวงประที่มันไม่เกิดใช่ไหม ไม่เข้าใจกรรมและผลของกรรมว่าวัตถุเหล่าเนี้ยมันมาได้ด้วยบุญมาด้วยกุศลไม่มาด้วยโลภะที่ไหนไอ้ความไม่มีทรัพย์เนี่ยมันมาด้วยโลภะไอ้พราะมีโลภะพ่อมีความตันหนีต่างหากเพ่อมีโทสะพ่อมีโลภะพ่อมีบาปอกุศลนี่แหละมันถึงยากจนมันถึงลําบากมันถึงมันถึงต่ําต้อยเอามาพอพูดถึงตรงเนี้นี่เป็นครอบครัวมาม า, มาก็พูดไม่อายยอมพ่อเนี่ย จริงรายละเอียดมาไม่เล่าเนี่ยเล่าพอสรุปประเด็นเนี่ยยมพ่อเนี่ยท่านเกิดมาท่านยากจนปกติยมปู่ยมแม่ยมยมยมยมย่าเนี่ยยมปู่ยมย่าเขาไม่ได้จนอะไรเท่าไหร่เพราะยมพ่อมาเกิดที่ท้องลำบากตอนนั้นบอกไงเกงก็ไม่ค่อยให้ทายอมมาก็พูดแกๆแต่ว่นเงินครอบครัวนะเป็นยมพ่อมาก็พูดตรงๆแล้วพูดกับท่านตรงๆอล้วมาก็จะบอกวันนี้ แต่ก่อนยอมปู่ยอมย่าก็เกิด อ, อยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยพยอมพ่อมาเกิดในท้องเัี้ยแตกแยกกันนะแล้วคิดดูที่ยอมยา่าเป็นคนเมืองอื่นใช่ไหมไม่อยู่กับยอมปู่ยอมปูก่ก็มีฐานะพอสมควรมีนามีไรเยอะอะไรเงี้ยนะะพะยอมพ่อมาเกิดในท้องเสร็จแล้วไล่ยอมย่าออกจาก บ, บ้านเลยเนะี่ยอย่างเงี้ยต้องไปเป็นลูกจ้างตกงแต่เล็กๆน้อยๆแต่อยู่ในท้องเีนะ่ยอย่างเงี้ยนะก็เล่าให้ฟังถ้าเขียนเป็นหนังสือเนี่คนอ่านร้องไห้ประวัติยอมพ่อนคนอ่านร้องไห้ นี่แกมาเล่าแกชอบเล่าในที่ิีิมันนะพอ่อโอพอพอลืมตาบากได้นิดหน่อยท่านก็มาเล่าด้วยความภูมิใจว่าอย่างนีมั้ยขนาดท่านจนขนาดนี้ท่านยังออกมาเยี้งท่านยังพอพอพอพ อ, พอเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาได้อย่างนี้เป็นตน้นก็เลยเล่าเอามาว่ามันเล่ามุมนั้นก็ได้นะยอมพ่อนะแต่ถ้าลองเล่ามุมนี้ที่มันมันแย่สุดๆเนี่ย น, นี่ก็เกิดมาแล้วคอบครอบครัวแตกแยกเลยเนี่ย ดีอยู่อย่างที่โยอมพ่อไม่ได้ไปเกิดในเอธิโอเปียนี่เนี่ยถ้าไปเกิดในเอธิโอเปียนี่แย่ yeah, เลยขอทานดีดีนี่แหละนี่เมืองไทยบรเิเอณเมืองไทยนี่บุญบุญใช่ไหมมีทรัพย์ในดินในน้ําเยอะหน่อยก็เลยมาดิน้นรนต่อสู้พอได้ขนาดนี้ลําบากมาเนี่เพราะอะไรเพราะโลภะกับโทสโะโลภะกับโทสะมันทำให้วิบัติ ฉะนั้นมาปัจจุบันนะพบมายังมาติดข้องในโลภะกับโทสะยังมาต์นี่ห่วงเห็นอยู่หรือเรียบทำลายมันเสียมันจะทําให้เรายากจนลําบากก็ต้องกรตุ้นแก้เข้าใจตรงนี้ให้รู้เหตุดีมะให้รู้เหตุรู้ผลว่าที่มันจนเพราะอะไรมันจนมันลําบากมันทําไมได้มาก็วิบัติได้มาก็หมดไปอย่างไรเพราะอะไรเนี่ยมันมาจากพักกรรมอะไรก็อะไรให้ให้ท่านได้ทราบท่านก็มองโอ้เป็นอย่างไรเงี้ยขนาดอ้อเป็นอย่างเงี้ยแกจะหนีมันจนชิ้นแล้วรู้เปล่า ก็ยากใช่ไใช่อัธยาศัยตันีมากกว่าจะทําบุญได้นี่เก็บไว้หลายชั้นเลยเงินไม่กี่บาทเนี่ยนะเาบอกโอ้โหลำบากเลยต้องคอยทุบคอยแหย่กันอยู่เลยนี่เนยไม่เหมือนยอมแม่บอกที่ไรหมดเนื้อหมดตัวทําให้หมดทำไปแต่คนอื่นย่งแต่จะยมแม่เนี่ยมากระตุ้นหมดนะให้สลายหมดฝึกให้แกสลายให้หมดแล้วให้แกนะบอกมุมบอกอะไรแกไปเลย คนอื่นก็พูดอีกอย่างนี่หลักพิจารณานะบอกว่าท่านไม่ควรให้ความคล่องในที่ไหนๆเมื่อต้นไม้เป็นยาเกิดขึ้นคือหลักการพิจารณาในทานเป็นต้นอะไรนี่เมื่อต้นไม้ที่สมควรจะเป็นยาเกิดขึ้นมาคนต้องการลากต้องการกิ่งต้องการใบไม้อะไรต่างๆต้องการลำต้นต้องการเปลือกกระพี้ต่างๆเอาไปต้นไม้ไม่อะไรอวรนไม่หวงแหนไม่ยึดติดแม้ชันใดให้ทําตัวเหมือนต้นไม้ที่เป็นยาก็แล้วกันนี่ก็อย่างเงี้ยนะ นี่พระโพธิสัตว์แต่อย่างเราก็คือให้ใ ค, คล้ายๆท่านหน่อยให้ใ ค, คล้ายๆท่านหน่อยนี่คือหลักหลักการพิจารณาก่อนเนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้เบีเสร็จแล้วใจจะคลายและใจจะเห็นใช่ไหมนัเข้าก็จะบอกคุณบอกอนุสงบอกคุณอนุโกงสงแล้วหลักปฏิบัติอะไรเป็นข้อปฏิบัติในทานตอนนี้เข้าสู่ข้อปฏิบัติการทําความอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายโดยมากด้วยการสละเครื่อง อุปกรณ์ความสุขทางร่างกายและชีวิตก็กาจัดภัยและการชี้แจงทำเป็นข้อบริบัติในทานบารมีเป็นต้นเหล่านี้นะด้วยเป็นวัตถุที่ควรให้อามิสทานอภัยทานและธรรมทานในสามอย่างวัตถุที่พระโพธาสัตว์ให้ก็แบ่งเป็นวัตถุภายในและภายนอกในสองอย่างก็แบ่งเป็นภายนอกก็แบ่งเป็นสิอย่างนะอันนังปานังนี่นะให้ข้าวให้น้าให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ของหอม เครื่องลูปไล้ที่นอนที่อาศัยประทีปเอาสินี่แยกแล้วแยกแต่ละอย่างท่านเห็นเหตุในการให้แล้เห็นผลของการให้แต่ละชิ้นนี่คือคือปัญญาเกิดขึ้นที่ประดุดดวงประทีปไงเห็นเหตุผลปัญญาเนี่พอมาส่องแสงสว่างปุ๊บก็เห็นกรรมเห็นผลของกรรมตัวเนี้ยขับเน้นก็คือว่าทําไมจึงจะเจริญในเจตนาที่เป็นไปกุศล เจตนาที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นจิตที่คิดจะให้เป็นต้นเนี่ยไปเห็นตัวกรรมเนี่ยกรรมในการถ้าให้ข้าวเนี่ยนะผลของการเหตุคือการให้ข้าวผลจากการให้ข้าวเจตนาที่เป็นไปกันน้อมสละน้อมถวายข้าวเป็นบูชาหรือการให้เป็นต้นผลจะได้อะไรให้น้ําเป็นทานเป็นต้นผลจะได้มาซึ่งอะไรท่านก็เห็นเหตุผลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นเลยถ้าใครเข้าใจแบบเนี้ย จะให้ประกอบเหตุก็ปรากฏผลประกอบเหตุก็ปรากฏผลก็เหมือนกับยอมวรรวษจะลงทุนอะไรปุ๊บก็เห็นผลเลยใช่ไหจะพูดคำนี้เมื่อพูดคำนี้ออกไปเบียเสร็จแล้วภรรยาจะว่าอย่างไรต่อมาเห็นแล้วยง ท, ง, ทงทั้งๆที่ภรรยายังไม่พูดเลยยังไ ม, ไม่แสดงพฤติกรรมก็รู้แล้วก็พูดคำนี้ออกไปก็จะรู้ว่าเขาก็จะปฏิบัติสิ่งนั้นออกมาใช่ไหนี่เขาเรียกเข้าใจเหตุผล ถ้ามันมืดๆอยู่เนี่ยแปลว่ามันยังไม่รู้นะว่าเอ๊ะประกอบอันนี้ไปแล้วไม่รู้ผลอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยหรือว่าเอ๊ะแน่นอนหรือเปล่าเนี่ยเราก็ให้สักแต่หให้ไปนั่นแหละไม่รู้มันจะได้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโดยข้อปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามันมืดเพราะสัมมาทิฏฐิที่เป็นดวงประทีปมันไม่เกิดเพราะอะโลพะอโทสะไม่เป็นปัจจัยแก่อะโมหะคือปัญญาปัญญาจะต้องลุกขึ้นมาทํากิจได้ ที่จะต้องไปเข้าไปรู้กรรมและผลของกรรมนี้เบื้องต้นเขาเข้าใจอย่างนี้เนะเอ๊ะเวลาเราจเจริญทานกุศลสิ่งกุศลเป็นต้นเหล่านี้ตัวปัญญาเหล่านี้เด่นชัดอย่างนี้ไหมเห็นเหตุเห็นผลแบบนี้ไหมอ๋อต่อไปให้เห็นเหตุผลด้วยดีไหมะจะดีไหจะดียิ่งขึ้นนะนะ เอ อ, อสละก็ต้องสละอยู่แล้วเป็นไปเพื่อการสละต้องการไม่ยึดติดแล้วก็ก็ต้องน้อมอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ต่อไปเห็นทั้งเหตุและผลจะชัดเจนขึ้นมาปลุกปัญญาให้ทํางานหน่อยบอกนอนหลับมานานแล้วต่อไปไม่ได้แล้วช่วยกันทํางานหน่อยบอกว่าแม้เฉพาะเจตนาอย่างเดียวความไม่โลภอย่างเดียวความไม่ติดข้องอย่างเดียวบอกเหนื่อยปัญญาช่วยมาทํากิจหน่อยส่องแสงสว่างหน่อยเดี๋ยวกว่าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นนะ เดีวยวกายเป็นบอกว่าอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยนะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ของเราแต่ปัญญาไม่ได้มาทํากิจเลยว่าไอ้ไม่ใช่ของเราแล้วสร้างเหตุอะไรอยู่แล้วผลจะปรากฏเกิดขึ้นกับเราอย่างไรข้ามือนที่โยมยินงานบอกว่าเออการให้บางครั้งเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่ควรให้เพราะให้ไปจะพุทธสารีเพราะปัญญาไม่เดินนัเนี่ยถ้าทําปัญญาให้เดินได้ปัญญาจะรู้เห็นมว่าพระโพธิสัตว์จะให้อะไรใครก็ไม่ทํำลายเขา ไม่ใช่ให้ไปเพื่อไปทำลายเขาเช่นให้ของที่ไม่ควรแก่พระเนี่ยให้ไปทาลายท่านเทเียนก็ไม่ให้เพราะปัญญาเกิดไงแต่ไม่ใช่มานาเกิดแล้วไปทำลายเพราะมานะมันรู้ได้เหมือนกันนะเรื่องที่ไม่ควรเนี่ยใช่ไหมท่านมันควรกับท่านไหมเนี่ย้วท่านเป็นใครอะโดที่เหมือนมีพระอยู่รบหนึ่งเนี่ยท่านท่านก็ไปไปจากวัดจากแดงท่านไปอยู่ด้วยท่านไปอยู่ศึกษาโดยระยะ ข อ, ขอไปไปเอือน้ำไม่ได้เอืยน้ำเนะี่ยไปก็ท่านกานั่งรถไปนั่งนางนั่งรถไปสักพักนึงก็มีโยมคนหนึ่งคือท่านคงจะดูแปลกๆกับโยมว่านี่ท่านน่าสงสัยนะท่านเนี่ยขอตรวจใบสุทธ่หน่อย <c oughs> <c oughs> ท่านก็เลยย้อนถามบว่าอ้าวยอมเป็นตำรวจผ้าหรื อ, <c oughs> อก็อะไรจะไปท้าอเล่ า, ามาบมาว่า เ, า เ, าเาขาท่าดีดึงใจย้อนเงี้ยยอมเป็นตำรวจผ้า เด็ก็ดูเหมือนท่านจะไม่ทันคนนะดูเออทันนกันนึงโอ้าวเป็นตำรวจปราก็อยู่ดีๆกจะไปขอตรวจใบสติกันตลอดนท่นหานมหาหน่าจำคำนี้ไวง้งินแล้ว ม, มีพระลบหนึ่งท่านเล่าท่านบอกว่าท่านคงเจริญกุศลอะไรมาไม่ค่อยดีเวลานั่งรถไปยอมก็ตีตั๋วให้ใช่ไหม ตีตัวให้แล้วก็จะไปอีกจะไปอย่างไพสามนี่ไปกลางคืนด้วยนะคนเขาก็ลงหมดใช่ไหมรถไปรถนอจ้องไปถึงนั้นจริงๆท่านบอกว่าเขาเขาาไม่ไปหรอกนี่เหมืนท่านลงท่า <laughs> นเดี๋ยวคืนตังค์ให้ท่านก็ไม่ท่าน ก, ทานก็ท่านก็ไม่รับตังค์อะไรใช่ <laughs> งงก็ต้องลงลงก็เดิน <laughs> ก็เดินวันหนึ่งนะ แล้วเดินเดินคืนทั้งคืนนแล้วก็แล้วท่านบอกท่านไปที่ไหนท่านก็จะเจอแต่เรื่องอย่างนี้ตลอดเลยชีวิตท่านก็ว่าไงนก็นี่ไงโทษไม่ค่อยได้สละล่มและรองเท้าเป็นต้นเนี่ย นั่นจึงบอกว่าการให้เนี่ยต้องรู้เหตุผลนะไอ้ความที่เราเจ็บปวดในปัจจุบันทั้งหลายที่ขัดข้องในปัจจุบันทั้งหลายมันมาจากเหตุั้งนั้นแหละไม่ใช่ไม่มีเหตุอยู่ๆมันจะเป็นอย่างนั้นนะนะบรรดาวัตถุมีข้าวเป็นต้นเหล่านั้นนะมีวัตถุหลายอย่างก็จําแนกเป็นของเคี้ยวของคนบริโภคอันหนึ่งวัตถุนะมีรูปารมณ์สัทธารมคันธารมระสารมสัทธารมคันธารมละสารมโหทัพลมและธรรมอารมณ์บันดารูปเป็นต้นเหล่านั้นก็มีหลายอย่าง ก็จำแนกเป็นสีเขียวสีแดงเป็นต้นใช่ไหมทีนี้วัตถุหลายอย่างนั้นหลายอย่างนั้นด้วยเครื่องอุปกรณ์เนี่ยที่นาความกลับเพื่อมีหลายชนิดเช่นแก้วมันีกระนกเอยแก้วมุกดานาไร่สวนท่าหญิงท่าชายโคกระบือเป็นต้นในวัตถุเหล่านั้นนะถ้าจะพิจารณาหมหาบุรุษต่างท่านก็พิจารณาภายนอกก็รู้ด้วยตนเองบอกว่าจากให้วัตถุนี้แก่ผู้ต้องการแม้เขาไม่ขอก็จะให้ไม่ต้องพูดถึงการขอและท่านก็พิจารณาเนะ ไม่มีของให้ก็ย่อมไม่ให้ให้สิ่งที่น่าปรารถนาเมื่อมีทายรทม์นะก็จะอาศัยนั่นแหละในกรณีาการที่จะให้ไม่ให้สิ่งที่เป็นอันตรายพวกยาพิษต่างๆเหล่านี้เป็นต้นบนรพชิตท่านก็ให้ของที่ควรแก่บรญชิตขณหัสก็ให้ของที่ควรแก่ขณรหัสให้ของที่ดีมากในนะไม่ให้ของเศ้าหมอง และก็อันหนึ่งไม่ให้อาศัยลาบสกาละและความสารเสริญหมายความว่าที่ให้ทั้งหมดไม่ใช่เป็นไปเพื่อลาบสการะเสียงสารเสริญเยินยอลาบยศสุขสารเสรื่นเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็บอกว่าในขณะให้ก็ใช้วาจาอ่อนหวานไม่ใช้วาจาหยาบไม่หน้านิ้วคิ้วขมวดอา้ามีใครให้แบบหน้านิ้วคิ้วขมวดเคยไหให้ไปโกรธไปเนี่ยมีบ้า ง, ง่า ไม่มีเนาะทีนี้แม้ให้เนี่ยนะถ้ามาพิจารณาแบบกว่าว่าเวลาพูดก็ให้คำพูดที่น่ารักพูดก่อนพูดพอประมาณท่านอ่อโลภะมีมากในทยธรรมใดหมายความว่าอะไรถ้าวัตถุชิ้นใดเป็นที่ตั้งของความโลภมากอยอมตุ้มไปพิจารณาดูที้ วัตถุชิ้นไหนที่เตนที่ตั้งของโลภามากอ้าวคนอื่นช่วยตอบนี่มีวางั้ยมีไหมมีไหมมันมีวัตถุบางชิ้นที่เป็นที่ตั้งของความยึด ต, ติดมากอะ่ะมีมไม่มีนั่นแหละหมายตาเขาไว้จะต้องสละสักวันหนึ่งคิดอย่างนั้นนะวิธีคิดแน้ว ถ้าสละวันนี้ไม่ได้เราจะต้องสละสักวันหนึ่งจะต้องสละให้ได้จะต้องสละให้ได้ ต, ไดตั้งเจตนาเป็นปุพาเจตนาดีไหมเนี่ยตั้งเขาไว้แต่อย่าพูดออกมานะจริงจริงจงควรพูดไหมที่จริงที่นี่ที่พูดนี่พูดจริงนะนะที่พูดเนี่ยว่าจะต้องสละจะต้องสละถ้ามาเนะีย แต่ว่าอามาไม่สนวนลิขิธิ์เพราะเอามาสอนตามคําสอนนะถามาสอนยมแม่อามาบอกยมแม่สละหมดเลยบอกสละหมดเลยนะตั้งอัธยาศัยสละหมดเลยตั้งอัธยาศัยสละถ้ามีคนขอจักพิจารณาดูคุณสมบัติใช่ไหมถ้าสมควรให้จักให้เลยแต่คิดสละหมดเลยสละให้หมดเลย คิดตลอดคิดให้เป็นปุพหะเจตนาไว้อยูแม่เนี่ยพระโพ ธ, ธิสัตว์ท่านคิดอย่างนี้โยมแม่แต่บุคคลอื่นามาไม่เคยกล้าบอกหรอกเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวหามามาเออทำไม่เพราะรู้นี่ไอความยากจนมันมาจากโลภะมันมาจากโทสะคือความจะหนีความเป็นผู้มีทรัพย์สมบูรณ์แห่งทรัพย์แล้วก็สิ้นจากภพชาติมันมาจากการสิ้นราคะโทสะโมหะ ไอ้ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเห็นความยากจนไอ้ตัวนี้เป็นเห็นควา ม, ามร่ํารวยยมแม่เรายากจนมาเพราะตัวนี้ฉะนั้นก็ทําลายตัวนี้ที่แล้วก็สร้างเหตุให้ถูกกับผลนี่เราไปกลับหัวกลับหางที่เรารวยเรามีทรัพย์บ้างในชาตินี้เพราะมันมาเหตุดีแต่เราไปวิปปิดในชาตินี้เราจะพลาดในชาติหนะ้าถ้าพระท่านยังจะต้องเกิดอยู่ไม่เห็นเหตุผลไหมตรงเนี้ยไม่ใช่ตัววัตถุเป็นตัวให้ผลใช่ไหม ยอมจีลาพรตัวนี้บอกให้ผลเนะี่ยตัวเจตนาแต่เพราะเจตนาเราอ่อนแอเราจึงไม่ได้อย่างจุระเอกสาดกไนงะจุระเอกสาดกจึงไม่ได้ในบัดดลนั้นท่านต้องประมวลเจตนาเท่าไหร่ท่านต้องสละเท่าไหร่ท่านถวายเป็นนะเนะี่ยพระเจ้าบอกศรัทธาเสมอกันผลเสมอกันเนะนี่ยพระเจ้าจะประิภิพานหรือ ย, ยังดํารงพระชนอยู่เนะพราะตอนนี้เป็นการของพระบรมศาสดาอยู่นะั้นื่อเราตั้งศรัทธาไม่ถูกต่างหาก เราไม่ฉลาดในสัพพุริสถานเป็นต้นและเรายังไม่ประมวลทานทั้งหมดจนเข้าใจเป็นต้นเราจรึงไม่กลา้าใช่ไหมใช่ <c oughs> ว่าไงบอ <am> ขออนุญาตถามหน่อยเจ้าค่ะอาจจะเป็นประโยชน์กับบคุคคลภายนอกด้วยนะคะคือว่าในเวลาใส่บาตรถ้าไม่ใส่น้ำไปด้วยผู้ที่ได้รับ อุทิตบุญเนี่ยจะไม่มีน้าดื่มหรือแม้แต่ผู้ใสเองถ้าได้ไปเสวยผลก็จะขาดแคลนน้าซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนกับเป็นข้อปฏิบัติของผู้ใยบาททั่วๆไปด้วยนะคะมันมาจากความเข้าใจว่าให้น้าได้น้ำให้ข้าวได้ข้าวไปเข้าใจอย่างนั้นงถ้าให้น้ำแล้วไปเกิดเป็นเทวด า, าเทวดาไม่กินน้ำจะทำไง มัไปเข้าใจอย่างนั้นแล้วไงเพราะเพราะเราไปตั้งประเด็นเขาไว้ว่าตัววัตถุเป็นตัวให้ผลใช่ไหมตัววัตถุไม่ใช่เป็นตัวให้ผลแต่ตัวเจตนาที่ปรารบวัตถุนั่นแหละเป็นตัวให้ผลนิชาพุทธเราเนี่ยไปคิดว่าตัววัตถุเป็นตัวให้ผลทั้แล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็ต้องไปเปลี่ยนเจตนาความเข้าใจเป็นต้นนั้นของชาวพุทธให้ถูกเสียให้ตรงกับคําสอน ให้ตรงกับคําสอนเพราะการให้น้ำเนี่ยถ้าในมุมของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหรือในชั้นของคําสอนทั้งหลายเนี่ยน้ำนี้จงเป็นไปแก่การสิ้นราคะโทสะโมหะมานาทิฐิวิจิกิจชาหิริกานุตตป่าและอุทธะจักอวิชาของข้าพเจ้าถ้าพระโพธิสัตว์ก็ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย น, น้ํานี้ใช่ไหมยังความล่มเย็นให้กับสัตว์ ให้กับชนทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานแม้ชั้นใดข้าพเจ้าจักตั้งใจให้เสมอน้ำที่ได้สละถวายเป็นพุทธบูชาจักไม่อิหนาละอาใจต่อบุคคลที่มาปฏิทุสลายหรือสารเสริญเห็นไจักเป็นไปกับความเยือกเย็นประดุดดังน้ำเนไหมน้ำนี้ให้ความสุขให้ความเยือกเย็นกษัตริย์ทุกประเภทแม้ชั้นใด ข้าพเจ้าก็จะเดินจิตของตนเองนั้นด้วยการสละน้ําถวายเป็นพุทธบูชาเป็นต้นเหล่านี้เพราะเป็นปัจจัยเกี่ยการที่จะเดินจิตเข้าสู่ใจในการให้ได้เสมออย่างน้ําอย่างนั้น เ, เห็นไหมว่ากรณีของการให้น้ําจะนํามาซึ่งการชําระกิเลสอาสวะทั้งหลายในกระแสขันของตนเองและของบุคคลอื่นเพระรโพสต์ท่านก็คิดในกรณีเพื่อบุคคลอื่น เพราะพระบริษัทเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าระดับฉันท่าวิริยะจิตตาปัญญาของท่านไม่ใช่ระดับต่านะไม่ใช่ระดับกลางนะแต่ของท่านระดับประณีตวิริยะของท่านก็ต้องระดับประณีตใช่ไหมถ้าวิริยะระดับกลางเนี่ยจะบรรลุในระหว่างนี้ของท่านระดับอุกฤษเลยท่านจึงได้เป็นสัมมาสัมพุทธะท่านไม่เอานะท่านจะไม่เอาปัจเจกโพธิญาณท่านจะไม่เอาสาวกแต่ท่านจะเอาสัมมาสัมปวิญาณท่านจึงไม่ยอมไม่พลาดในการบรรลุก่อน อันนี้เป็นการวางใจค่อนข้างที่สู้กันเลยนะเนี่ยใช่ไหมคนมีข้อมูลน่ยสามารถเป็นพระปเจกพุทธเจ้าได้แต่ไม่เอาอ่ลองคิดดูที่ท่านจะต้องทนขนาดไหนใช่ไหมต้องทนในการ บ, บริเป็นบารมีเนี่ยเพื่อจะให้เรามาเรียนเรื่องฐานให้เข้าใจเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นเรื่องที่พระมหากรุณีที่คุณ น, นี่เป็นเรื่องที่ยากแท้อย่างถึงเลยนะเห็นไหมในกรณีในลักษณะอย่างนี้ว่า พอจะเข้าใจใช่ไหมว่ากรณีตัวเจตนาเป็นตัวให้ไม่ใช่ตัววัตถุเป็นตัวให้ฉะนั้นในวัดในภพ บ, บางภพนั้นเขาไม่อยู่กันด้วยน้ําแบบนี้นี่เขาไม่ได้อยู่กันด้วยน้ําอย่างนี้ดังนั้นก็ก็ทําความเข้าใจให้นั้นความไม่คล่องถึงไม่น่าเสื่ยิ่ในการมอบให้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการบริโภคตามสบายหรือด้วยความชํานาญของตนซึ่งสละวัตถุภายนอกด้วยการด้วยการสองอย่างบอกเราให้ทานหมดสิ้นแล้วจักบรรลุสัมมาสัมโพริยาณ น, นั้นคือ อย่างนี้นั่นหมายความว่าอัธยาสัยของพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าส่วนเราท่านทั้งหลายก็จะสละทานนี้แล้วจะได้เป็นปัจจัยแก่การสิ้นจากได้บรรลุนะสาวกโพธิญาณด้วยอาการสละอย่างนี้เนะี่ยนั้นอปฏิบัติในวัตถุภายนอกด้วยประการอย่างนี้ส่วนในวัตถุภายในนั้นท่านก็คิดบอกว่าเพื่อประโยชน์แก่ผู้ขอโดยส่วนเดียวเท่านั้น ท่านถึงบอกว่ามีทรัพย์นะมีอวัยวะแล้วก็มีชีวิตเนะี่ยเพื่ออุปการลากแก่บุคคลอื่นโดยแท้บุคคลต้องการตาเอาตาต้องการหูมาตัดหูไปต้องการจมูกตัดจมูกต้องการลิ้นตัดลิ้นนะต้องการศีรษะก็ตัดศีรษะทั้งเมารีท่านก็ยกให้ไปด้วยเนี่ยน ะ, ะนั้นผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกท่านก็แยกแยะในการที่จะพิจารณาในการที่จะน้อมให้โดยไม่อะลัยวรในวัตถุภายในเป็นต้นเหล่านั้น ทีนี้เวลาท่านพิจารณาอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเรารู้ย่อมเมื่อพระมหารุตเมื่อรู้ย่อมไม่ให้อัตภาพหรืออวัยวะน้อยใหญ่ของตนแก่มารหรือแก่เทวดาผู้เนื่องด้วยในหมู่มารทั้งหลายนั้นท่านก็จะมาพิจารณาว่าไม่อยากให้มารและเทวดาที่เนื่องได้หมู่นามารทั้งหลายนั้นเน่ยเกิดความวิบัตินะเกิดความวิบัติเพราะมากันแกล้งเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่ว่าท่านห่วงส่วนอภัยทานทั้งหลายได้แก่การแสดงธรรมไม่ ออส่วนอภัยทานก็ได้แก่ความป้องกันภัยดังกล่าวแล้วได้แก่ป้องภัยก็คือการชี้แจงประโยชน์เออการที่ว่าที่จะปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายภัยจากพระราชาจากโจรจากไฟจากน้ําจากศัตรูมีราชสีเป็นต้นจากเสือโคร่งนะแผ่นดินไหวน้ําท่วมเป็นต้นเหล่านี้นะป้องกันภัยต่างๆเป็นอภัยทานหมดเลยนั่นจัดเป็นอภัยทานไปธรรมทานก็คือการชี้แจงประโยชน์นะ ชี้แทงทิฏฐาธรรมิกาธประโยชนสัมปราญิกาธปรโยชน์ทั้งหลายเริ่มตั้งแต่ทานากถาศีลกถาสัากาสาขาคาถากามาทีนวักถาเนขามานิสังสกถาสรุปลงในอริยสัจสี่สัจธรรมทั้งสี่เป็นต้นเหล่าเนี่ยนะตรงนี้ก็คือว่าให้พิจารณาบอกว่าในการประกอบทีนี้ไล่ลําดับนิดนึงก่อนที่จะไปเข้าสู่คาถาพระมหาบรุษเนี่ยนะให้อมิสทานแกสัตว์ทั้งหลายให้ทานก็คือว่าให้ข้าวเป็นต้นเราเนี่ยนะตั้งใจบอกว่า เราพึงยังสมบัติมีอายุวันนัสุขาภร ะ, ะปฏิพานเป็นต้นและสมบัติมีผลที่น่าลื่นลมให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยทานนี้ฉะนั้นการให้ในลักษณะนี้จึงมีส่วนแห่งอายุวันณะความสุขภละกําลังทําอย่าแปลกใจนะว่าคนที่ให้ข้าวแก่สัพสัตทั้งหลายมาหาประมาณไม่ได้นะกรณีท่านจะมีอายุยืนยาวนี่เป็นเรื่องปกติแต่ท่านกําหนดแค่นั้นประมาณมาทูลน่าร่านาง้ นั้นท่านต้องสามารถอยู่ตามอายุไขของกลับนั้นนั้นที่ท่านกําหนดลงมาถือปฏิสนธิได้จริงๆเพราะท่านมีส่วนแห่งอายุนั้นถ้าท่านจะมีวันน้าที่ดีกว่าบุคคลอื่นเนี่ยก็ไม่แปลกเลยเพราะท่านให้มาอย่างหาประมาณไม่ได้ความสุขใช่ไหมกำลังและปฏิพานปัญญาของท่านเนี่ยจึงมีอย่างมากมายนี่กรณีในลักษณะอย่างนี้แปลว่าท่านให้เกี่ยวกันในเรื่องของความสุขต่างๆและก็สมบัติอันน่ารื่นลมต่างๆนี้ท่านก็ได้นะ ทีนี้เวลาให้น้ําก็เพื่อระ ง, งับความกระหายกิเลสราคาโทสะโมหะมานาทิถิวิจิกิจฉาหิริกาโนตปะคือกิเลสกิเลสต่างๆเหล่านี้น้ําทั้งหลายจะขอให้เป็นปัจจัยการระ ง, งับราคาโทสะชําระล้างราคาโทสะโมหะของสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็น ไ, ไหมอัธยาสัยที่ท่านให้น้ําเป็นทานอย่างหาประมาณมิได้เนี่ยใช่ไหมก็ท่านก็คิดในลักษณะอย่างนี้เราก็น้อมในการที่จะชําระล้าง ราคาโทสะโมหะของตนเองในการตั้งอัธยาศัยไว้ถ้าให้ผ้าแหละให้ผ้าก็เพื่อให้ผิวพรรณงามและเป็นเครื่องสําเร็จแห่งเครื่องประดับอะไรคือเครื่องประดับที่จะทําให้งามภายในฮิริโอตะปาเห็นไหมฮิริโอตะปาเป็ น, เ ป, นปเป็นประทัดฐานของกุศลศีลกุศลศีลก็เป็นประทัดฐานของปราโมดปีติปัสสติความสุขสมา ธ, สมาธิสมาธิก็เป็นประทัดฐานของยะถาภูริยานทัศนะเห็นไหม ยถาภูรายานัทัศน์เป็นประา ธ, ธานของนิพิทาวิราคะวิมุตติก็ไล่ไปสินี่เห็นไหมเนี่ยมาจากการให้ผ้าเป็นต้นนี่แหละจะได้สําเร็จแห่งความงดงามในกระแสของขันาธาตุอายตนะที่จะดับขันาธาตุอายตนะได้ก็ด้วยผ้านี่แหละที่จะเป็นปทัฐานของหิริและโอตะปะ<อ><อ>หเห็นไหมเห็นเหตุผลไหมเข้าใจเหตุนในการให้นี่เขาเรียกสัมมาทิฏฐิที่เป็นดวงประที่อยู่ในมันเกิด ถือไหมส่องสว่างแนวทางเห่งการใคร่ควรวญทําไมต้องใคร่ควรวญถ้างั้นปุพพาเจตนาจะมีปริมาณมากอย่างไรมูลจากเจตนาจะมีปริมาณมากได้อย่างไรและอปราอร拉เจตนาจักมีปริมาณมากอย่างไรเพราะเจตนาเป็นตัวผลิตวิบากผลิตผลใช่ไหมเราก็ต้องทําปริมาณของเจตนาให้มีกําลังให้มีมากถึงแม้ว่าจะทําเสร็จแล้วก็ใค ร, คร่ครวญยิ่งใครมี โอกาสได้เจริญกุศลประเภทนี้มากหน่อยก็โอ้โมีเชือกยึดมากจริงๆเ่ยเชือกยึดก็คืออารมณ์อ่ะอารมณ์เป็นเครื่องยึดหน่วงเยอะสามารถจะยึดหน่วงเป็นอารมณนาอารมณ์นาปจาัจจัยอารมนาที่ปดีอารมนูปนิสยะเป็นเหรอเป็นที่ยึดหน่วงที่มีกําลังเ่ยบางเชือกบางอารมณ์บางสถานการณ์ยึดหน่วงตื่นเ ต, ต้นใช่ไหมปลื้มใจจริงๆแล้วปลื้มใจเป็นยาวนาน อย่าแปลกใจใช่ไหมกติการละเนี่ยปลื้มใจสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันหรือจากเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนได้จากการที่พระบรมศาสดาถือความคุ้นเคยในการมาคดข้าวในหม้อโดยไม่ต้องประเคียนเนี่ยเยออมาคดข้าวเองเลยนะเนี่ยถือความคุ้นเคยขนาดนั้นนะพระศาสดาเนี่ย <S <S ครั้งสุดท้ายนี่ให้พระภิกษุมาลื้อหลังคาไปหมดเลย <S <S เอากลับไปแล้วบ้านถูกลื้อหมดเราจะคิดยังไงบอกเขาได้ข่าวว่าพระลื้อไปหมดแล้ว เป็นไงจะโทรไปถาทตำรวจไหมว่าไงโยว่าไงหนึ่งเก้าหนึ่งด่วนเลยบอกไม่รู้บอกได้ก่าวว่าภาวัดนั้นลือหลังคายอมไปหมดแล้วเป็นเรื่องไหมนี่ไม่คะกติกาละไม่คิดอย่างนั้นโอ้โหอยู่เดือนหนึ่งให้แล้วก็ดีใจอยู่เดือนหนึ่งตื่นเต้นมากอันนี้ถามปริมาณของเจตนามากไหมโอ้นี่ไงขอสักวันหนึ่งก็บออยู่ ใ ค, ใครชื่นใจได้เป็นวันมะแต่แต่อย่าลืมนะชื่นใจตรงนั้นท่านบอกต้องชื่นใจที่ประกอบไปด้วยกัยานปัญญาใช่ไหมเพราะเป็นไปกับกรรมและผลของกรรมนะเพราะ